ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้รงมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องในธรรมจั ก, กรวัตนสูตรมาถึงช่วงของสมุทัยสัตว์แต่เป็นการนำเสนอในรูปที่พิสดารออกไปคือในรธรรมประจักรวัตนสูตรนั้นไม่ทรงขยายความ โดยละเอียดพิสดารคือขายายความแต่เพียงว่าทุกขสมุทัยนั้นได้แก่ตนาทั้งสามประการคือการมาตัญหาจิตที่ดิ้นรนทยทยานอยากเพื่อได้เพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของพวกสิ่งสัมผัสทั้งหลายและก็สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนออนแข็ง แล้วก็ตอบถึงอารมณ์ที่ดีทั้งหวงเพราะว่าตนาความต้องการเป็นในฐานะตำแหน่งชั้นยศต่างๆตลอดถึงการบังเกิดในภพชาติที่ เ, น, เนี้ขึ้นไปแล้วก็วิภาวะตหาเป็นอาการของความไม่พอใจความไม่ยินดีไม่ต้องการสตหมายความเป็นลักษณะของโทสะ ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นในฐานะนั้นๆัซึ่งก็หมายความว่าต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในฐานะเ่นๆและในขณะเดียวกันท่านก็ได้แสดงถึงอาการของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาคือถูกครอบงได้วยตัณหาหมายความว่าเป็นลักษณะของตัณหานั่นเองก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่คำหรืะสามคาด้วยกัน คือหนึ่งโปโนภวิกาหรือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นนท์อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี้นอยากเป็นนนท์ไม่ต้องการเป็นนั้นไม่ต้องการเป็นนี้แต่ต้องการเป็นนนทนอะไรแต่ไหนเนี่ยก็อุดมุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อได้ตามที่ตนต้องการเมื่อเป็นตามที่ตนต้องการก็จะกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีจนมีการเฉลิมฉลอง ในฐานะที่ตนได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจก็จะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นและนในขณะเดียวกันก็พร้อมจะเวียงไปเป็นความโศกเมื่อต้องพระพรากสูญเสียสิ่งซึ่งตน ร, รักใคร่ปรารถนาพอใจจะเกิดความดีใจเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความมิตกกังวลกลัวสิ่งเหล่านั้นจะสูญหายแตกทำลายไป พอสิ่งเหล่านั้นสูญหายแตกทําลายไปไม่เป็นปายตามที่นต น, น, นต้องการก็เกิดโทรมานเกิดความทุกข์แล้วก็เมื่อมันเป็นสมุทัยแล้วมันเบี่ยงอีกทีหนึ่งก็เป็นทุกข์พออาจจะเพิ่มทุกข์ก็ได้เพิ่มตัวกิเลส ก, ก็ได้ดังนั้นจึงทรงสอนให้ลดละในเรื่องนั้น ในมารสติปฐานเป็นต้นเนี่ยทรงจําแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารเปิดว่าตัญหาทั้งสามประการเนี่ยก็อาจจะเกิดที่อายตนะภายในก็ได้อายตนะภายนอกก็ได้วิญญาณทั้งหกก็ได้สัมผัสทั้งหกก็ได้เวทนาทั้งหกก็ได้ตัญหาทั้งหกก็ได้หรือวิตกพิจาร์ทั้งหกอย่างละหกก็ได้ ตัวเพื่อให้บุคคลมีสติและเลือกรู้เท่าทันถึงจิตที่ถูกปรุงด้วยตัณหาข้อใดข้อหนึ่งในขณะนั้นๆแล้วก็มองให้เห็นโทษไปจากแก่ใจแล้วก็เปลี่ยนพยานรมลดละออกไปจากใจในส่วนของนิโรธทัศน์ที่เราแปล ก, กันว่าความดับทุกข์นั้นก็เป็นหลักการที่ พระบุญมีพระพาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักกวัตนะสูตรเนี่ยทรงแสดงไว้ห้าความหมายด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันในช่วงต้นที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีคำว่าอุปสมายะคือสงบกิเลสมีคำว่านิพานคือดับกิเลสแล้วพอช่วงที่อธิบายตัวนิโรธเอง ก็ทรงใช้กรรมการดับตัณหาทั้งสามการรนั้นเสียได้การสละตัณหาหล่อนั้นออกไปจากใจการถ่ายถอนตัณหาออกไปจากใจการขายคืุดคือหมายความว่ามื่แค่แค่เราไปอมอะไรไว้นะแล้วเราก็คายทิ้งเสียทุกข้อเนี่ยที่ทําไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีอะไร ไม่มีเสน่หาไม่มีอะไรไม่มีเยอะใหญ่ในสิ่งที่ได้ดับไปแล้วได้ละไปแล้วได้ถ่ายทอนไปแล้วได้คลายคืนไปแล้วเนี่ยจะหมายความมาต่อการนั่นใจท่านจะไม่คล่องในอารมณ์ทั้งหลายแต่ว่านิ่ผ่านหรือนี่โรดเนี่ยมันเป็ น, นุลมคติเราลองสังเกตว่ามันเป็นหนึ่งคำในหลายๆคำที่พเจ้ายกมาแสดง พอเราพบในธรรมจักรวัตนาสูตรเองหรือก่อนที่จะแสดงธรรมจักรวัตนาสูตรเนี่ยในพวกพุทธอุทานต่างๆก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันแล้วตอนนี้พบปันญบคีก็ทรงเรียกว่าอมฤต ธ, ธรรมเปรตธรรมะที่ทําคนพูดดื่มไม่ให้ตายแต่พอแสดงในตอนที่ว่าอะเรมกเักโดองแปลประการซึ่งโดยองค์ค้นพบเนี่ยแล้วก็ทําให้ เกิดดวงตาคือปัญญาขึ้นเกิดยางขึ้นแล้วก็ร้อยเกิดความสงบจากกิเลสที่ทรงใช้คำงอุปสมายะคือเป็นไปเพื่อความสงบจากกิเลสแล้วถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นนิพพานเพราะถ้าเรามองเทียบเคียงว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเรียกนิพพานเป็นต้นหนามากแต่ถ้าเรงไปโครงสงร้างอเรศัสแล้วก็จะเรียกอย่างเนี้ย เรียกวันนี้โรดทุกคราวไปเป็นปริยายเทศนาแต่ว่าถ้าโครงสร้างของอริยสัจแล้วเรียกว่าเป็นนิปริยายยือแสดงอย่างนี้ทุกทีนิโรธจรึงแปลว่าความดับถุกซึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นการแสดงถึงการพยายามดับไปตามสมควรแก่ขณะนั้นๆ ในอัตกถาสติปัฏฐานในสูตรเนี่ยจะได้แสดงการดับของกิเลสของมนุษย์ทั้งหลายนะทั้งเป็นพุทธชนและพระริยาเนี่ยว่าสามารถดับได้สามวิธีด้วยกันแต่คำตรง น, นี้ท่านผูกฟังได้โปรดเข้าใจนะว่าในหนังสือที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีท่านเรียกว่าประหานบางทีว่าเรียกว่าประหานะ คือแปลว่าแปลกันการละหรือการฆ่าสังหารบางครั้งก็เรียกว่าวิมุตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสบางทีก็เรียกว่านิพานบางทีก็เรียกว่านิโรธในก็มีที่เรียกว่าอะไรก็ตามนะฮะแต่เนื้อหาสาระแล้วเหมือนกันก็คือดับกิเลสเพียงแต่ว่าดับไ้มากหรือใดน้อยละ่ะ ก็ทรงจำแน่แสดงออกไปเป็นธาตระดับนะฮะท่านจำแนแสดงไปเป็นหารระดับแบบแรกเรียกว่าตทางกนิโรธไปว่าดับกิเลสได้โดยองค์ของพระกรรมฐานในขณะนั่งภาวนาคือดับได้ในขณะนั้นๆแต่โดยอนุโลมก็คือดับได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเช่นสมมติว่า เจอคนบางคนเนี่ยก็าทำให้เราโกรธเราก็อดทนเอาไว้ก็ดับความโกรธไว้ได้หรือว่าแผ้เมตตาไปก็ดับความโกรธไว้ได้สะใช้สติลึกอยู่ภายในไม่ใส่ใจถึงคำด่าว่าของบุคคลเหล่านั้นก็ดับความโกรธได้ได้เป็นต้วยแต่ความดับในลักษณะนี้ที่เราใช้กันมากคือรู้จักขมใจห้ามใจ นะสงบใจจากความคิดที่เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายเป็นข้อขัดขวางต่างๆเราพยายามลดพยายามละพยายามดับพยายามสงบพยายามระงับไปเรื่อยๆแล้วเราลองสังเกตว่าในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดับกิเลสแนวนี้ยเยอะถ้าดับไม่ได้เนี่ยปานนี้โลกมันก็จะลาจนหมดแล้วแล้ววุน่นวายหมดแน่ เป็นการยับยั้งชั่งใจเป็นการข่มใจห้ามใจอดกั้นอดทนมีสติสัมปชัญญะหรือว่าแผ่เมตตาก็แล้วแต่นะและแต่ว่าเราจะทำได้ระดับใดทีนี้ในขณะที่จเจริญกรรมฐานหรือขณะที่ภาวนา เ, นเราเจนว่าจิตมันก็แว บ, บไปแว บ, บมานะว่าแบบไปแว บ, บมาจะทำยังไงจะดับ อาการฟุ้งซ่านสัด ส, สายของจิตได้บางาจะใช้สติอาจจะใช้สมาธิอาจจะใช้ความเพียรอาจจะใช้สัมปชัญญะอะไรต่อะไรก็ตามแต่าตามปกติแล้วก็จะใช้สนับสนุนกันเพื่อดึงจิตให้มาอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีกิเลสแทรกเข้ามาก็บรรเทาไป ประมาณคล้ายๆกับแมลงวันนะฮะไม่ใช่แมลงมุมแมลงรวมที่เกาะอยู่ตรงกลางรังของมันแล้วก็สงบนิ่งอยู่ก็มีอะไรบินมาติดสายใหญ่ของมันมันจะออกมาแล้วก็ตัดสินวินิจฉัยตามต้อวรแก่กันนี่แต่เป็นสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวกินไปอถ้าเป็นใบไม้ไปเศษขยะอะไรปลิวมากระทบเนี่ยก็เฉยๆ หรือว่าจะคาบออกไปหรอว่าจะทาสายใหญ่ของแกให้ขาดการใช้สติระลึกต่ออาการของกิเลสอาการของอารมณ์ที่ปรากฏในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันของเราเวลาสัมผัสการูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงการเหนียวนึกจุดนึกถึงอารมณ์เนี่ยเห็เค้าวามันจะเกิดกิเลสก็ข่มใจตัวเองเอาไว้ มาถึงจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ขึ้นนะฮะทำยากได้ขึ้นทยากมากขึ้นเออเช่นการที่บุคคลสามารถเอาชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะว่าอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่ที่กระทบจิตแรงมันจะเป็นการกระตุ้นกามาราคับ หรือกระตุ้นโลภะกระตุ้นตัณหาพวกนี้นะครับหรือกระตุ้นโทสะหรือกระตุน้นโมหะหรือกระตุ้นให้เกิดประมาทเพอเลอหลงลืมทั้งพลาดโมเมาและแต่โลกิยรมจะเป็นอย่างนั้นนะคร่บต่เห็นว่าลักษณะของอารมณ์โลกเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งที่หยดย้อยวิจิตพิสดาร คือจนบางครั้งในมอนรึกไม่ออกว่ามันจะมีจริงหรืออารมณ์ในลักษณะนั้นแต่ถ้าเราศึกษาพวกเอกสารพวกวันณคดีต่างๆแล้วก็จะปรากฏว่ามีการพรรณนาเสียสวยงามหยดย้อยจนนึกไม่ค่อยออกหรือจินตนาการไม่ค่อยได้นั้นก็แสดงว่าอารมณ์โลกมันจะปรุงแต่งมีการประดับประดาแล้วก็เห็นกันนะฮะว่าจริงๆก็รู้ก็เห็นกัน เครื่องไม้เครื่องมือเวลานี้พัฒนาไปจนถึงสัญญกรรมพลาสติกแล้วก็แสดงว่ามีการปรุงแต่งกันรุ่งเร้าผู้ข้างมากเกินเกินตอนหลักการสำคัญก็คือว่าจะต้องห้ามใจระวังใจอย่าให้กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เปที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้หลงในอารมณ์เปที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจอย่าให้ มัวเมาหรือประมาทในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความประมาทมัวเมาตัวนี้เราจะใช้หลักของอัปมาตธรรมก็ได้ใช้สติก็ได้นะคือการในนะสติกับประมาทได้เป็นอันเดียวกันแต่ในพระบาลีเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะใช้คําว่าอัปมาทคือไม่ประมาทได้แก่การมีสติแะเลือกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบจิตและไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงไปตามแรงยุ่ายุยัวยวนเหล่านั้น เชิสมมติว่ายุ่ยนกระตุ้นในเกิดกรรมาราคะเนี่ยตามปกติแล้วใจของมนุษย์เนี่ยเป็นกรรมราวจรคือมันจะแล่นไปในกระแสอารมณ์ที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่น่าปราถนานาพอใจแต่ว่าทำยังไงจึงระวังใจข่มใจห้ามใจยับยั้งชั่งใจตัวเองย้ายถึงกลับไปละเมิด บทปัญญาของศีลของธรรมะบางครั้งบางคราวก็มีการกระตุ้นด้วยโทษสัมีการทาตีท่าต่อยมีความรุนแรงมันเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้ความดกดลันความหมดทุนใช้การไม่ถือสาความใช้ความเมตตาใช้ความให้อภัย คื อ, อยังไงกรณนีบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างชายแดนด้านพมา่าเนี่ยมีลักษณะยั่วยุเหลือเกิ น, นคือบางครั้งก็ตระขาดการกลั้ถถนลดทนมนาจจะใครก็ไม่รู้นะพะมา่าเองก็คุมกันไม่ได้อะไรหรอกในประเทศเนี่ยส่วนกลุ่มน้อยมันเยอะแต่ว่าใครเป็นคนทํานี้เนี่ยเราไม่รู้ แต่วบางครั้งบางคราวเนี่ยต้องอดทนเอาแต่บางคราวก็ไม่ควรอดทนนะฮะวิธีการทหารเนี่ยก็จะคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าแต่วิธีการทางศาสนาเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเออ ย, ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นใครเนี่ยแล้วเราก็รู้สภาพทางภูมิศาสตร์สภาพทางสังคมสภาพทางการเมืองสภาพทางเศรษฐกษิจของเขาดีนะฮะแล้วอาจจะ ต, ตัดต้นตอของความก้าว้าวรุนแรงเหล่านั้นโดยการ ไปนั่งโต๊ะมาคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าต่อไปเนี่ยอย่าลงไม้ลงมือกันมีอะไรก็ให้บอกกล่าวมานั่งคุยกันเถอยทีนี้ถ้าว่ามีการลงมือเนี่ยจะโดยใครก็ตามคือเราก็ยอมไม่ได้ไอ้ก็คือการต้องใช้วิธีการ หรืแม้จะเป็นวิธีการของบ้านเมืองก็ตามนะฮะคือตาหากว่ารบ ก, กัุตลุ่นนี่มันเสียความรู้สึกเยอะนะฮะคือปัญหาการมีมิตรไว้เนี่ดีกว่ามีศัตรูตัวว่าประเทศที่มีดินแดนติดต่อกันเป็นพันกิโลพันกว่ากิโลเนี่นะมันไม่ใช่สนุกหรอกเป็นศัตรูกันเนี่ยคือต้องเอาคนมาเป็นรั้วเพราะงั้นมันต้องสุกคิดนะไม่ต้องได้คิดแล้วทางฝ่ายโน้นเองก็ต้องคิดนะฮะ เพราะถ้าเกิดเป็นรถทับจับสึกกันแล้วในะยังนึกนะฮะว่าไอก้กระแสการรับรู้ประวัติศาสตร์จากเรื่องบางระจันก็ดีต่อมาเป็นเรื่องสุริโยไทยก็ดีหรือเรื่องอตีตาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันกระตุน้นความรู้สึกในอดีตความเจ็บซ้ําในอดีตแล้วมันจะกลายเป็นความปรุ่มแรงเพราะแม้วนนางอย่างคือตัดไฟแต่ต้นลง แล้วกาทำแก้ปัญหาเนี่ยคือใช้สติตัวนี้ก็ใช้สติระ ล, ลึกแล้วก็เอาการกระทำทั้งสองอย่างนั้นมาช่างตวงแต่แปลกนะฮะคือคนเราพูดอะไรง่ายๆวันก่อนเนี่ฟังพวกเอ o จอเขาต่อต้านเรื่องการสร้างแกงเสื้อเต้นสร้างเขื่องที่แกงเสื้อเต้นคล้ายๆก็เห็นกันนะนะฮะแล้วเวลาสังคมมีปัญหานี่คนเหล่านี้หายหน้าไปไหนก็ไปดู ไม่เคยแสดงความช่วยเหลือไม่เคยแสดงความรับผิดชอบไม่เคยเป็นดูแลอะไรเขาเลยนะแต่พอเขาจะป้องกันสาธารณภัยให้แก่ประชาชนออก็เอาขัาน้นมาลาจากไหนคนเหล่านี้เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือ เ, เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะแล้วก็โจมตีเรื่องเกิดต่างๆก็เกินปาชักเนะี้ยที่ทำให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพเนี่ยเ็เคะเกินปา ทนแต่ละปีเนี่ยสูญเสียเงินทองไปมากมายกายกองตั้งแต่มีเขื่อนประสานนะ้ำไม่เคยท่วมกรุงเทพแล้วก็ถ้าไม่มีเขื่อนต่างๆอย่างนี้การทาํานาของราชาดอเป็นยังไงมันมีเขื่อนอยู่แต่ว่า ก, การสูญเสียนั้นต้องสูญเสียที่เรายืนนี่มันก็สูญเสียนะฮะถ้าเราไม่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะปลูกผักได้ทั้งหลายต้นเพียงแต่ว่ามันได้มากกว่าเสีย ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้อย่างเดียวหรอกแต่ว่าได้มากกว่าเสียหรือประเทศเนี่ยเปิดเป็นของคนใททั้งประเทศไม่ใช่ของคนที่อยู่ริมแก่งเสือเต้นอย่างเดียววันแต่คนแต่ละจุดมันเกิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าประเทศก็กลายเป็นเขตปลอดปล่อยของคนเ่าแน่การงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเนี่ยเป็นงานที่คนจะต้องมีน้าใจกว้างขวาง เราต้องเสียสละมันไม่มีใครยอมเสียไม่ได้หรอกมันต้องมีคนยอมเสียอย่านึกถึงประเทศจีนอย่างชอบใจประเทศจีนเนี่ยที่เจียงไห่เนี่นะฮะเขาสามารถไม่มีแหล่งสลัมที่น่าสะใจก็คือไม่มีแหล่งสลัมไม่เจอแหล่งสลัมเลยบ้านชาวนาเป็นตึกทั้งสองชั้นสามชั้นอย่างน้อยก็ตึกหนึ่งชั้น ตลอดเส้นทางที่นั่งรถไปสามชั่วโมงเนี่ยไปดูตลอดสอบถามว่าเป็นบ้านชาวนาตลอดเพราะอะไรเพราะว่ารัฐนี่มันทำงานเพื่อแผ่นดินเนี่ยแกบอกว่าต้องการจะกวาดล้างแหล่งสลามตรงนี้ออกคุณมีที่ดินเท่าไหร่สมมุติว่ามีหนึ่งร้อยตารางวาแกไปสร้างที่ใหม่ให้สองร้อยตารางวาแลเก็บเพิ่มทวีคูณให้หมด แล้วบอกวันเวลาไว้เสร็จสร้างเสร็จเรียบร้อยเคลื่อนย้ายทั้งหมดเข้าไปอยู่ใช่กคนนิเวศมันก็เสียดังนั้นแหละนะแต่ว่าผลโดยทายเนี่ยเมื่อคนไปอยู่ได้แล้วเนี่ยเขาก็พอใจตรงนั้นเอาแหละสมมุติว่าเราย้ายแม่ค้าพ่อค้าจากสวนจตุจักรมาอยู่สนามหลวงอย่างเดิมเนี่ยคนเรานี้จะมาหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศ ท, ทั้งนั้นแหละก็ทําอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงหรอแต่ว่ามันต้องดีขึ้น พราะลักษณะเหล่านี้ยมันเราเห็นว่ามันต้องใช้สติใช้สมรรถนะใช้เหตุผลในการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะมองได้ได้อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเราเห็นว่าเป็นบางทีเนี่ยบางคนบางกลุ่มมันเป็นลูกตุ้มทวงแผ่นดินเอาไว้เป็นพวกโครนที่มาทํำในล้อมันเดินหมุนไม่ได้ชาติบางเมืองแทนที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็เสียหายเพราะคนพวกเนี้ยแม้แต่สนามบินสุวรรภูมิเนี่ย เขาจะสร้างสมัยจมพลสริทธะตอนนั้นงบมาณแค่หมื่ล้านนะนี่จนทุกวันในกี่แสนล้านนะห้างยังไม่ได้เพราะเราเพราะคนเนี้ยคนขูดกลุ่มไม่กี่คนอะมาคัดค้านเนี่ยมันเราจะเห็นว่าไอการดับตรงนี้มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรักษาหลักการที่ถูกต้องเราจะตามใจคนไม่ได้เราด้อคนหมดไม่ได้นะ้วไม่ต้องทําอะไรกัน มีพระท่านหนึ่งท่านต้องการพิสูจน์ก็ตามใจคนรูเนะี่ยคือถ้าได้เด็กแกงขึ้นหมอนะ้อเนยแล้วก็เรียกเด็กอื่นมาชิมชิมมันก็ติติ ม, มันก็แก้อ่าพอแก้ผอมันบอกกันดีแล้วเรียกคนอื่นมาชิมมันก็ติอีกอนะ่ะติจนแกงหม้อหนึ่งเละเนี่ยมันคน จ, จนเละเลยจะม่รู้เป็นแกงอะไรนั่นคืต้องการว่ามนุษย์นี่มันชอบติเฉย แล้วก็จริงนี่ที่ตัวเองทำเนี่ยคนอื่นก็ติอีกเพราะนั่นการอยู่ในสังคมจึงต้องอยู่กันด้วยเหตุผลและความดีผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ระยะยาวไกลที่ท่านสอนว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวปรป่ายราดและงับพระภูเวรกันมันต้องอยุติปัญหาต่างๆให้ได้เพแนวตัวเนี้ยเป็นแนวแนวสังคม คือการดับกิเลสระดับนี้นิพพานระดับนี้เป็นนิพพานระดับสังคมเป็นนิโรธระดับสังคมมันดับความเห็นแก่ตัวแ ก, วก่พวกป้องของตัวการดาตัวเป็นเครื่องมือรับใช้ต่างชาติใน ล, ลักษณะสระเอชักน้เข้าลึกชักเึือข้าบ้านมันมีเยอะแยะนะฮแล้วก็ไม่ได้เอาประวัติศาส ต, ตร์ตรงนี้มาเป็นครูในการตัง้งสอน ธนาคารชาติเนี่ยลองย้อนไปดูทําไมถึงราคาแพงกันตั้งเท่าตัวก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งไปรับใช้ต่างชาติมาปลูกกระดมสนามบินก็สร้างไม่ได้อะไรก็สร้างไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรคนทุกคนนมาอาศัยแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินอาศัยคน่ะคนอาศัยแผ่นดินและแผ่นดินนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็สร้างบ้านแปลงเมืองกับรนานแล้วเราก็มาอาศัยแผ่นดินเนี่ย อยู่ตรงไหนก็อยู่ย้ายก็ย้ายเพราะยังไงเราก็ย้ายอยู่แล้วตอนตายเราก็ต้องย้ายเปนาา็นธรรมดาอละนี่คือตระงกับปีมุดผู้ระดับตระถงกับฮีโร่คือดับกิเลสดับอารมณ์ดับความเห็นแ ก, ตแ ก, ก่ตัวแก่พวกป้องของกัวแก่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อช่วยกันนำพาชาติพันเหมืองให้ดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามที่ทุกคนต้องการต้องฟังทงลาย แเราปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี